ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็ถึงจะต้องปรารถกกันเรื่องอากาศสาสนันจายตนะต่อไปสักนิดหนึ่งในเมื่อเพื่อผ้ากสินเป็นแล้วอจิตจับอากาศเป็นสำคัญและก็รอจิตของท่านนั้นทรงอยู่ในชานสี่ตลอดเวลา มีความรู้สึกว่าความต้องการของร่างกายไม่มีร่างกาย ร, ร่างกายเราร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ไม่มีร่างกายเขาใส่ก็ไม่มีธาตุทั้งหมดในโลกนี้ก็ไม่มีเห็นมัเป็นสภาพเหมือนอากาศไปหมดเราไม่มีความสนใจในร่างกายของเราเองไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่น ไม่สนใจในวัตถุธาตุอย่างอื่นไม่สนใจในร่างกายของเทวดาไม่สนใจในร่างกายของผมให้จิตสงอารมอยู่อย่างนี้มีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายอย่างนี้ต่อไปจะไม่มีสาหรับเราเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่แนะนำมาอย่างนี้โปรดทราบว่าบวกวิปัสสนาด้วยเพื่อผลของบรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อจิตเข้าถึงระดับแล้วก็เลยจับเอาไปเลยทีเดียวดีไม่ดีก็หลุดไปฌานก็กลายเป็นฌานโลกกตระไปเมื่อกำลังใจจับอยู่ในอากาศมีความรู้สึกเป็นปกติเห็นว่าสภาพว่างจากกายมีอยู่ไม่สนใจในร่างกายของเราเป็นสำคัญ ถ้าเราไม่สนใจในร่างกายของเราเป็นสําคัญแล้วร่างกายคนอื่นวัตถุธาตุอย่างอื่นก็ไม่มีความหมายในเมื่อจิตมันทรงตัวไปอรมณ้ของานสี่ต้องให้คล่องจริงๆถ้ายังมีอารมณ์ติดอยู่ในรูปอยู่บ้างจงอย่าคิดว่านั่นเราเข้าถึงอาการสานัญญาตนะแล้วเห็นคน เ, เห็นสัตว์เห็นวัตถุก็คิดว่าพวกนี้ไม่ใช้ก็หมด ไม่ได้มีอะไรเหลือจิตไม่จับในร่างกายอารมณ์มีความเป็นสุขอยู่ในอันเนื่องด้านของอากาศเป็นสำคัญนี่จัดเป็นอรูปฌานที่หนึ่งคืออาการสันนินจญาตนณะไม่ต้องทีบายมากเพราะผู้ทรงฌานแล้วทรงเั่ตอนนี้มาถึงคุยกันมากๆก็ไร้ไประโยชน์มันไม่มีอะไรเป็นสำคัญไม่ต้องสอนกันเพราะเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้ก็หมายความเป็นผู้ใหญ่ในการสรงฌานต่อไปเมื่อชำนาญในอาการสารานญ า, นายตนะแล้วเราจะปฏิบัติในรูปฌานที่สองคืออากิญญายตนะก็จะภาพกระสินทรงตัวขึ้นเมื่อจะภาพกสินทรงตัวอย่าลืมนะทุกครั้งต้องจับภาพกสินให้ทรงตัวไวเพื่อเป็นการรักษากําลังใจเดิม จิตทรงอยู่ในชานสี่ตลอดเวลาแล้วเพื่อภากระสินทิ้งไปพิจนารณาดูในโลกนี้ทั้งหมดว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเกินจัญญยาญณะขอตอบพบแล ว, ว่าไม่มีอะไรเหลือในโลกนี้ไม่มีอะไรมีไม่มีความรู้สึกแห่งการสัมผัสเมื่อเราจะไปสัมผัสอะไรก็มีความสัมผัสว่ามันไม่มีอะไรยัเหลือนี่มันพังหมด มันสลายตัวหมดเพราะไม่จะสลายตัวหมดไอ้ความปรารถนาไม่สมหวังมันที่คนที่ขออยู่มันเป็นทุกข์เราไม่ขอจะมีรูปอะไ ร, ะไรทั้งหมดต่อไปสร้างกำลังใจตัว น, นี้ให้ชินให้มีอารมณ์ส่งตัวได้ทุกเวลาต่อไปเมื่ออาการอย่างนี้ชินแล้วก็ไปขอโทษข้อที่สองเมื่อกีควรจะเป็นวิญญาณนั้นยลตนาชาน เอาละไม่เป็นไรเอากิ น, น ย, ยัญญาญาตนาชานก็ได้แต่ว่าข้อที่สองคนจะเป็นวิญญาญาตนาชานเพราะการพูดนีไม่ได้เอาแบบมากลางมันอาจจะเผลอไปบ้างคําว่าเผลอข้อ น, นี้อาตมา ก, ก็รับรองแล้วนี่ว่าอาตมาไม่ใช่พระหรหลานแต่พระหรหลานที่ท่านไม่เผลอจริงๆก็คือเรื่องของขันห้าอย่างอื่นก็เผลอเหมือนกัน อย่าคิดว่าพระอรหันต์ไม่เผลอเสลยท่านที่ไม่เผอเลยมีองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าอจะมายกตัวเองเป็นพระอรหันต์เพราะความว่าเป็นที่เพราะที่ตนเองไม่ใช่พระอรหันต์มันจึงชอบเผลอนั่นจะไปบอกว่าท่านก็แล้งบอกว่าท่านเผลอไม่ใช่งั้นมันเผลอจริงๆริงพูดตรงไปตรงมาท่านเอาต่อไปตอนนี้เราก็มาจากปิญญาณ สลับกันไปนิดมันก็เหมือนกันก่อนที่จะจับวิญญาณคือความรู้สึกวิญญาณตัว น, นี้เขาถือเอาตัวความรู้สึกเป็นสําคัญจับภาพกสินให้มันส่งตัวซะ ก, ก่อนกระสินนี้ความจริงก็ไม่มีอะไรยากตอนนี้เราคล่องซะจนเกินที่จะคล่องแล้วนึกพักจับภาพกสินได้ส่งตัว เมื่อภาพกรสินทรงตัวแล้วเราทำยังไงต่อไปตอนนี้เราก็จับเอวิญญาณจับวความรู้สึกว่าเจ้าความรู้สึกนี่มันไม่มีความหมายที่เรามีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจก็เจ้าความรู้สึกนี่เป็นสาคัญเพราะมันชอบรับสัมผัสอากาศมามอากาศเย็นมากมันก็หนาวมันรู้สึกหนาวหนาวมันก็เป็นทุกข์ อากาศร้อนมากมันก็หนาวหนาวมันก็เป็นทุกข์อาหารว่างไปไอ้เจ้าความรู้สึกนี่มันก็รู้สึกหิวมันก็ทุกข์มันถ้าใช้เดินมากเกินไปไอ้เจ้าความรู้สึกมันก็มีความรู้สึกว่าเมื่อยว่าปวดนั่งมากเกินไปก็ปวดก็เมื่อย้อนมากเกินไปก็ไม่ดีการรับสัมผัสจากเสียงจากชาวบ้านทำไมกระทุกกระทั่งโสดสัตว์ ที่เป็นระดับไม่พอใจมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เรื่องความมาวิญญาณ น, นี้ไม่มีความหมายเราไม่ต้องวิญญาณคือความรู้สึกจากสภาวะของคันห้าต่อไปขอดับวิญญาณเสียให้หมดทำตนไม่นคนไม่มีความรู้สึกอะไรตอนนี้ก็ขอไม่ยาก <c oughs> ทำมันไม่มีความรู้สึกมันเสีหมด ถ้าไม่คนชายเย็นเป็นธรรมดาธรรมดามันชามันเย็นมันชามันเย็นตอนไหนหมาความวอะไรจะมาก็ฉัง่งหนาวมาก็ฉังร้อนมาก็ฉัางไม่สนใจความหนาวความร้อนทั้งหมดความจริงนี่มันก็ไม่ยากเพราะอารมณ์จิตที่ทรงชาสีแต่อย่าลืมนะชาตัว น, นี้กำลังยังมีความหนักอยู่ จิตใจ ม, มันมัดแน่นทรงตัวที่พู้อย่างนี้ก็ไว้เปรียบเทียบในขณะที่จิตเข้าถึงความเป็นพระเรียจานี่ในว่าทั้งเรื่องวิญญาณจะมีอาการชินแล้วก็มาว่าตัวสุดท้ายอย่าลืมนะว่าข้อที่สองข้อที่สามมันสลับกันอยู่นิดความจริงก็ไม่เงียบเป็นอะไร ถ้าจับชานสีในกระสินได้ทรงตัวแล้วก็มาว่ากระตัวสุดท้ายเลยก็ยังได้โตแล้วเรียนรับง่ายๆเป็นของไม่ยาก <c oughs> ก็ชานสีมันเป็นเครื่องมือสำหรับเราคล้ายกับมือกับเท้าที่มันติดอยู่กับตัวเราจะเดินไปทนไหนได้ทำงานอะไรก็ใช้ได้ตลอดเวลา นี่ต้องทำฌานสี่ในอรมจิตของท่านให้มันเหมือนกับมือกับเท้าของเราที่มันทรงตัวอยู่มาในตอนที่สี่ก็ว่าทั้งในวสญญ า, นาสัญญาณาสัญญายตนะนี่ถ้าเป็นกำลังใจของอาตมาอารมณ์ที่เราน่าจะจับจริงๆมันมีอยู่สองอารมณ์เท่านั้นเพื่อกินยายตนะให้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ กับเนวสัญญานาสัญญาเจตนะมีสัญญาทำไม่คนไม่มีสัญญาแต่ว่าตามแบบท่านแปลมีจะว่าคนที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อย่างนี้เขาใจยากเพราะนั่นมันเป็นสายการปริยัติไม่ใช่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติจริงๆก็ต้องทําตนเว่ามีสัญญาสัญญาแปลว่าความจํา ทำเป็นคนมันว่าคนไม่มีสัญญาคือไม่มีความจําทําไม่รู้ไม่ชี้มันได้ทรงเดชตัวอย่างมีอยู่คนหนึ่งตายไปซะแล้ว <c oughs> เหมือนลุงพ่อกบไว้เขาสิริกาลุงพ่อกบไว้เขาสิิกานี่เคยเป็นนอนคุยอยู่กับท่านประมาณสามคืนแด้คนอื่นที่ไปนะี่ยท่านทําไปไม่รู้ไม่ชี้ ลูกศิษย์ลูกหาจะมาจากกันจากทไหนท่าไหนก็ตามท่านก็เฉยออกมาจากห้องแล้วก็จับห้องตีมุ้งหมดทองหนึ่งทองหนึ่งมุ้งกับทองหนึ่งตีสามทีทอหนึ่งสามครั้งแล้วดื่มน้ำนองน้ำร้อนกลับไปนอนใครไปใครมาไม่เห็นออกมาคุยแต่เวลาที่ท่านจะคุยแันกับลูกศิษย์ลูกหามีเวลาไหนบ้างอาตมาไม่ทราบ <c oughs> เราไปอยู่กับท่านเพียงสามวันแต่ท่านก็มีความรารณีเป็นพิเศษคุยด้วยคุยกันเรื่องการปฏิบัติในรูปฌานท่านผู้นี้มีความมีความชำนาญในรูปฌานเป็นพิเศษสำหรับที่อาตมาเห็นแต่ว่าท่านที่ดีอย่างนี้ใครปฏิบัติได้ก็ดีเหมือนกันชำนาญเหมือนกัน ท่านปลาลบบ อ, อกว่าไอ้แรงกายนี่มันไม่ดีได้ความรู้สิทธ์ของเราเหมือนกันทําเป็นจำโน่นจนํานี่เป็นเราเป็นพวกเราหน้่มพี่เรานี่หนอน้นองเรานี่เพื่อนเรานี่ทรัพย์สินของเรานี่รูสิทธิ์ของเรานี่ร่างกายของเรามันไม่ดีความมันเป็นอารมณ์ของความทุกข์ทำใจส บ, สบายๆดีกว่า ใครจะไปจะมายังไงก็ช่างมาถึงวาระที่เราจะส่งเคราะห์เขาเห็นว่าควรในการส่งเคราะห์เราก็ไปส่งเคราะห์เราไม่เห็นการไม่เห็นว่าเราไม่ควรจะส่งเคราะห์เราก็ไม่ส่งเคราะห์แล้วใครเขจะปฏิบัติกันอย่างนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของเรื่องของเขาเราจะไปยุ่งอะไรกับเขามันชั่วมันดีมันอยู่ที่เขา ท่านทาใจวางเฉยเพราะอะไรเพราะจิตที่อยู่ในฌานสี่ก็บอกแล้วนี่มันบอกมีเอกตาโกเบขามันก็วางเฉยไม่มาจับเนวสัญญานาสัญญายตนะมีความรู้มีความรู้สึกคือมีความจทาทาไม่เหมือนว่าคนไม่มีความจำอาจรมันวางเฉยเพื่อทรงฌานสี่ตลอดเวลา ไม่สนใจกับรูปไม่สนใจกับเสียงไม่สนใจกับกลิ 04, round, daring, ่นไม่สนใจกับลิ้นไม่สนใจกับรสไม่สนใจกับสัมผัสไม่สนใจกับอารมณ์ใดๆของชาวโลกีวิสัยทาใจสบายทำารงจิตให้ว่างจากการสัมผัสทั้งหมดตั้งอยู่ในเอกกตาและอุเบกขาเป็นปกติ จนมีอารมณ์ชินในกาศจะหนาวมีผ้าห่มก็ห่มไม่มีผ้าห่มก็ช่างเพราะอะไรเพราะจิตไม่รับสัมผัสทางกายมันจะหนาวได้ยังไงมันจะร้อนได้ยังไงมันจะโปวดจะเมื่อได้ยังไงแต่ว่าเรื่องของขันห้าที่มันจะมีการทรงตัวอยู่เมื่อเวลาที่อาหารมันพร่องรู้ว่าพร่อง ก็เติมให้มันไปเป็นการระงับทุกขเวทนาทางกายมาที่มันจะไม่มากเกินไปเรื่องทุกขเวทนาทางกายมันมีตลอดเวลาแต่ว่าถ้าไม่ทำให้มันอย่างนั้นการเวลายนยังไม่ถึงเวลาที่จะตายมันก็ลาบากก็ให้มันถือว่าทำตามหน้าที่เท่านั้น <c oughs> เป็นอนุว่าสำหรับสมาบัติแปด คือรูปฌานสี่อรูร ป, ประฌานสี่ก็จบกันแล้เพียงเท่านี้เป็นของไม่ยากมันก็ยากอยู่ในตอนต้นเท่านั้นในตอนต้นที่ว่ากรรมหนักก็เพื่อบันดาท่านพุทธบริษัทมีความเข้าใจว่าการศึกษาธรรมฟังแล้วต้องจำจำแล้วต้องนำ ป, ปฏิบัติให้ได้ ไม่ใช่มาตั้งแง่สงสัยบางคนก็สงสัยโน่นสงสัยนี่พูดวันไม่ได้เรื่องแสดงว่าไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างนี้พูดไปด้วยมันก็ราคาญที่ําคาญนั่นไม่ใช่อะไรเพราะเห็นว่าค น, คนบบเนี่ยคนประเภทนั้นมันเป็นขัน้นประกระมะการเขาสัง่งเขาสอนเขาแนะเขานํเขาซื้อเมือมี me, me, do, my, do ่อดูไม่ดู พัดเซกข้อบันทึกเสียงมีฟังไม่ฟังเขาสอนแล้วไม่จำบางทีกำลังพูดอยู่ขณะนั้นดันถามความสงสัยขึ้นมาสงสัยในคำในวาจาที่พูดไปแล้วก็เป็นอันบาคนประเภทนี้เขาเรียกว่าทาปรมะเอาดีอะไรไม่ได้แต่เขินไปสนใจกับคนพวกนี้ก็เสียดายเวลาของคนคนที่เขาจะดีมันทำลายเวลาของเขา นี่เมื่อจบอรูปฌานแล้วท่านพอใจในอรูปฌานเวลาที่แะตายท่านเข้าอารูปฌานตายท่านก็เป็นอรูปภพผมเป็นผู้ชิมหายจากความดีนี่ในเมื่อไดอรูปฌานสี่แล้วรูปฌานสี่ล้วก็ได้อรูปฌานสี่ล้วก็ได้อรูปฌานสีน่นี่เราฟังไปจริงจริงมันเหมือนมีปรัชนาญาณม เหมือนกันจริ ง, รงๆเออทิ้งรูปกายการทิ้งรูปกายนี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมนิพัน์คือคนที่ึงเนิพันต์เขตัดสกายะที่ถีตัวเดียวเมือนได้รูปฌานแล้วต้องการจะเจริญมิปัสนายายง่ายมากเพราะว่าอารมณ์ขวารูปฌานนี้ตัดขันห้าอยู่แล้ว ไม่สนใจกับรูปของคนไม่สนใจกับรูปของสัตว์ไม่สนใจกับรูปของเทวดาไม่สนใจกับรูปของปรอมเปน็นอันว่าตัวนี้น่าจะถึงนิพพานแต่ก็ยังไม่ถึงเพราะว่ายังมีอวิชชาอยู่บ้างมีความต้องการอยู่แต่เพียงว่าเราไม่ต้องการโรคกายเพื่อห น, นีความทุกข์จากการสัมผัสเท่นั้น <c oughs> จิตใจไม่ได้ทอดทิ้งไปจริงๆ ตอนนี้ก็หวนมาจับจับอารมณ์ของวิปัสสนาญาณเอาตัวไหนล่ะเอาตัวเรียสัตว์มันก็มีอยู่แล้วนี่หราอว่าจะเอาตัวไหนเอาตัวขันห่านี่ก็มีอยู่แล้ว <c oughs> มีทุกอย่างนี่ก็วันไล่เบี้ยอารมณ์ละเอียดเพราะว่าอารมณ์ยังยากอยู่ เมื่อไรเบียดเรียกว่าเราไม่ต้องการในรูปเราตัดความสัมผัสความรู้สึกในรูปเพราะเราไม่ต้องการมีรูปเพราะรูปมันเป็นทุกข์ทุกข์ต่างๆที่จะพึงมีขึ้นเ พ, นพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญนี่ก็เป็นเป็นตัวเรียสัตย์ชัดคือท่านเล่นเรียสัตย์ในขั้นในทุกข์ลืมหาสมุทยัย นี่เราก็หาสมุทัยไปเลยว่าทุกมันมาจากไหนทุกมาจากความอยากอยากอะไรอยากเกิดอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอยากรักอยากโลภอยากโกรธอยากหลงและยังมีการอยากในรับเลยการรับสัมผัสอันนี้จัดว่าเป็นตัณหาแต่ว่าสําหรับอารมณ์ชาตนี่ยังมีความอยากอยู่นิดหนึ่ง อยากไม่มีรูปเฉยๆแต่ไม่อยากตัดแต่ความนี้อย่างนี้จะเรียกว่าตัณหามันก็ไม่ชัดเราต้องเรียกว่าเป็นธรรมชนทะมีความพอใจในธรรมแต่ว่าเป็นธรรมที่มีระดับไม่สูงสุดไม่สูงสุดเราก็มาจับรูปใบชาและรูปใบชาให้สรงตัว มาจิตมีความสงบสงัดในความต้องการของรูปแล้วรูปก็คลายอารมณ์จิตมาถึงอุปจาระสมาธิเพื่อเปนอรนลึกคิดคิดว่าสังโยชนิประการที่องค์สาเร็จพระพิจิตมารทรงแนะนำว่าเป็นทางของพระนิพพานมีอะไรบ้างหนึ่งแสกกายทิตฐิเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา จริงมจริงมันมีธาตุสี่ประชมประชุมกันไว้รวมตัวกันแล้วมีวิญญาณธาตุและอากาศธาตุเข้ามาประสมเป็นกายเกิดความรู้สึกมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้ น, ตนแล้วก็มีการเสื่อมไปในท่่กลางมีการสลายตัวไปในที่สุด <c oughs> ถ้าเรายมีความผูกพันอารมณ์ขอ้อกิเลสส่ว น, นใดส่วนหนึ่งอยู่ มันก็ต้องกลับมาเกิดถึงแม้ไปอรูปภพม์มาหมดทีบุญวศนนนาบรมีกำลังของฌานเขากลับมาเกิดใหม่นี่เราไม่เอาขั้นอรูปภพนี้ยังไม่สูงสุดเกินไปเราต้องการพรนิพพานทาความรู้สึกในขันห้ารายการแท่สิ้นทลายความรู้สึกในความโผกันใท้หมด <c oughs> นี่เพื่อความทรงตัวข้อรมนี้ เราก็พิจารณาพระธรรมคำสั่สอนก็ อ, องสมเด็จพระบรมสุคตทีิสอนมามีประโยชน์อะไรบ้างผิดไหมเป็นปัจจัยของความสุขและเป็นปัจจัยของความถูกเมื่อลงขึ้นมาถึงชาน 4, ้นสี่ก็สามารถจะใช้กิจค้นคว้าได้แล้วก็หาเหตุผลตามคำสั่สอนก็ อ, องสมเด็จพระจอมใจได้ง่ายเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผู้ใหญ่มากด้วยชานแปดเนี่ผู้ใหญ่มากด้วยเสสะมาบัตแปดตอนนี้ก็มาคำโดยความดีจุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะลีกค้นจกการเกิดจริงๆไม่มีขันห้าต่อไปอันดับสำคัญต้องเจ้าใจไปจับสินไว้ให้บริสุทธิ์เราก็คุมสินไม่เดิมหน่ายของฌานสี่จัดเป็นสีลานุสติกรมาน ไม่อยากเนต่อไปองค์สมเด็จพระพิตรามายกล่าวว่าจงตัดการมชันทะาแท้สินแต่ความจริงตอนนี้การมชันทะามันก็ไม่มีแต่ว่ามีในฐานะผู้ทรงฌานและก็เอากำลังของฌานเข้าไปจับสกายทิฐิกายกะตานุสติและสุปกรรมฐานหั่นกระเด็นตันนั้นบวกกับ เสกกายธิทิฐิหรือว่ารูปฌานที่เราไม่ต้องการในกายกลับมาหวนคิดว่าเจ้านี่มันเป็นภัยร้ายคือเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกท่านกล่าวว่าไม่จะต้องแตกสลายตัวไปในสุดแล้วก็จะต้องมีการเนา่กากันเหม็นมันมีความเนา่าความเหม็นไม่มีโสโครกเป็นของธรรมดานไม่มีอะไรเป็นที่นา่ารัก เรารักเปลือกแต่เราก็ไม่ได้ดูเนื้อภายในร่างกายทั้งหมดเต็มปด้วยความโสโครสกปรกโร ส, โสโมมไม่มีอะไรเงางดีจองถ้าอารมณ์จิตของเรานีมีความเสี ย, ยเองเกลียดความรู้สึกในกายเสียทั้งหมด <c oughs> ไม่ว่ากายหรือว่าถุกธาตุใดๆก็ตามเห็นมันเป็นความสากปรกยอถ้ามีอาการเกลียดไม่ใช่เบื่อเฉยเกลียด เกรียจริงๆเห็นก็นแล้วมินเอีสิเอียนเหมือนกันเราเห็นถุงที่ก็ห่อจาระปัสาวะมาต่อไปเราก็มาจับอารมณ์ที่เป็นบาจใจของความโกรธว้ความโกรธนี่มันมีเนื่องมาจากเรามีอารมณ์ยังติดอยู่ในวาจานจริยาของคนอื่น ถ้าเราจะไปแก้คนอื่นมันก็แก้ยากแก้ที่อารมณ์ของจิตใครเพื่อทําคำาสั่งสอนองค์สมเด็จป ร, รมสามิในด้านคมมรวิหารสี่ก็เป็นของไม่ยากจิตเพราะจิตเป็นเป็นฌานสี่อยู่แล้วและแปรรูปป็นฌานอยู่ด้วยเราจะไปกดไปเกลียดอะไรกับใครเขาเพราะคนพวกนี้ไม่ใช่ามื่อตายหมดแจะสลายหมดเพราไม่ต้องคันในว่าสัญญาณาสัญญาญาณะ มีความจำทำเหมือนคนไม่มีความจำก็ไม่ผูกพันในเสียงดีเสียงชั่วอยู่แล้วก็เป็นของง่ายง่ายนิดเดียวรูปประชัก็ดีรูปประชยก็ ด, ปปกดีที่เราติดอยู่เวลานี้เราคิดว่ารูปประชัยเป็นของดีแต่ความจริงรูปประชายและรูปประชายยังมีปัจจัยที่ต้องทำให้เราเกิดใหม่เราละมันเสียละความติดไม่ใช่ละความยึด รูปประชันและรูปประชันเรายังยึดไว้เป็นกำลังต่อไปแต่ไม่ติดใจว่าดีแค่นี้เราต้องการความดีต่อไปต่อไปมานะความถือตัวถือตอนว่าเวลานี้เราวางภาระเสร็จได้แล้วในชาญต่างๆอาศัยในวจิษณญาณสัญญ า, า, ญญายตนะเป็นสำคัญ อารมณ์อย่างนี้ไม่มีกับเราถือว่าเรื่องธรรมดาของคนใครจะดีจะชั่วนั้นไม่มีการถือตัวถือตนเจะเอาวาใครว่าดีว่าชั่วกันไม่มีไม่สนใจมันเลยใครมายังไงก็รับไปตามนั้นเขามาเงียบแล้วก็รับเงียบเขามาเรื่นเรองแล้วก็รับเรื่นเรองมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> ไม่มีอะไรหนักตอนนี้มา อุเทจะอารมณ์ฟุ้งซ่านที่คิดว่าการจะทรงตัวจะแค่รูปภพเป็นของดีถ้าไม่เอาตัดอารมณ์นี้มุ่งพระนิพพานโดยตรงจิตจับพระนิพพานโดยตรงคือใช้อุปสมานาสติเป็นพื้นทานแป๊บเดียวพอกิตทรงฌานสีอยู่แล้วมันก็เป็นฌานสีมาตอนท้าย น, นี้ตัดความพอใจเสียทั้งหมด ในอันที่แยบแฝกฏว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถ้าผมไม่ต้องการวางอารมณ์เฉยเขไว้มีใจจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ห่วงใยในขาาันห้าไม่มีการกระทบกระทังท่งไม่มีการสอะไรใดๆทั้งหมดใช้อารมณ์นี้ตามกระแสบระสัตธรรมทศนัญญาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตโดยชันใช้นในวนสัญญานาัญญาญตนะเป็นพื้นฐาน เข้าไปจับสังโยชน์สิบประการจะใช้เวลานา น, านสักเท่าไหร่ก็ขอกล่าวว่าไม่เกินจิตวันก็เป็นพระอรหันต์ท่า น, นี้ถ้าจิตใจเข้าถึงความเป็นพระเรียเจ้าอารมณ์หนักของจิตจะถอยไปจะมีอารมณ์เบามีอารมณ์โปร่งพออารมณ์จิตเข้าถึงพระอนาคามีผลเวลานั้นปฏิสมิธายานก็ปรากฏ หลังจากนั้นไปปฏิสัมพันธายัาก็ส่งตัวจนกว่าจะถึงอราตะุลก็ไม่คลายตัวไปชาญตอนนี้จะทำยังไงยังไงมันก็ไม่เสืยมอรบรรดาท่านพุทธบริษัททลายเวลาก็หมดแล้วก็เรื่องกระจบพลดีข้อความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดดบรรดาแต่พุทธศาสนิกนชนผู้หวังดีในการเจริญสมธรรมในด้านนี้จงทั่วกันสวัสดี